พระส3สามรูปลงมาฉันวันนี้ส2บสองงดฉันส1บอพระในวัดของเราแต่เมื่อวานหลวงพ่อขึ้นมาใหม่มาจากต่างถิน่นขึ้นมาจากกรุงเทพมาเจอความหนาวโอ้มันหนาวจริงๆเมื่อวานพราะมันเราไปเคยไปอยู่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 ไม่ใช่เดินเทเลอเล์อเทอลาไปไปไล่มันถ้ามันขึ้นอีกอย่าให้มีนะพระในวัดของเราทุกองค์นะต้องดูบอกกันพวกพระเก่าพวกใครหมาก็ตามอยติโยมมาก็ตามชอบไปเล่นไปเล่นกับสัตว์นะไปไล่สัตว์จนไม่มีจนสัตว์ไม่มาอยู่ในวัดพวกชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่มาเหมือนกันบอกจะไปหาดุงเหยิงกับสัตว์ พวกนกเป็ดมันกำลังมาลงมันมาหาที่หลบมันหาที่ปลอดภัยเรายังไปหายจุ่งหายเยิงกับมันอีกไม่ได้นะละาดนั้นหาจากนันก้นเราก็หาที่สงบในวัดของเรากุฏิมีตั้งเยอะแยะทางหลังวัดเราไปดูๆไปปัดกวาดทำความสะอาดเช็ดไว้น้ําก็มีอยู่เกือบทุกหลังห้องน้ําก็มีห้องส้วมห้องน้ามี จากนั้นก่อลทํทำความสะอาดเสร็จแล้วก็อปัดกวาดเดินจงกลมเท้าเราเดินจงกลมในที่นั้นไม่หมอกออกไปเดินจงกลมในกลางแจ้งใส่รองเท้าดูถอดรองเท้าดูเดินจงกลมถ้ามันใส่รองเท้าเข้าไปมันดังตับตับมันลำคานะถอดรองเท้าดูสิเดินจงกลมนี่แหละ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 นี Tim, party, again, to to ่แหละคือหน้าที่ของพวกเราหน้าที่องค์พระไม่ไม่ม่อย่างอื่นนะถ้าว่าไม่ภาวนาเลยมาอยู่โต๊โต๊ะเต๋อเอไปอยู่เพื่ออะไรเอไม่รู้วิธีการปฏิบัติอีกต่างหากพวกเราเนี่ยมาอยู่นะักําหนดลมหายใจเข้าหายใจออกนัะครับขาขวาพดขาซ้ายโตัวให้มีสติสัมปชัญญะกับตัวเองทางของพวกเราภาวนาจิตแกเข้าสู่ความสงบนั่นแหะ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 นั่นหละเราเข้ามาอยู่ในร่มต้นมะม่วงแล้วก็ได้ทานริมรสของมะม่วงอีกได้กินมดมะม่วงอีกได้ริมรสมะม่วงมันหวานอร่อยอีกต่างหากใ น, นให้พวกเราไอ้เข้ามาอยู่ต้นมะม่วงเลย่าไปอยู่ต้นอยู่ใต้ร่มเฉยๆนะต้องชิมต้องเอาเอามะม่วงสุกมาทานดู